เล่าสู่กันฟังอาจารย์พรรัตนสุวรรณจำพรากจากกายเนื้อเข้าสู่ภูมิทิพย์เมื่อวันที่24สี่กุมภาพันธ์2536เวลาล่วงเลยมาสาสิบเอ็ดปีแล้วคณะสิทธิ์ที่ได้ทำงานร่วมกันกับอาจารย์พรมาโดยตลอดก็มีได้ทอดทิง้งยังคงดำเนินงานสืบสารต่อ ดูแลคุณสีเพนจัตุทศีช่วยกันบริจาคเงินเป็นค่าใช้ใจ่ายเงินเดือนคนงานโรงพิมพ์และคนงานศูนย์พัฒนาศาสนาในวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีชาติการของอาจารย์พรรัตนสุวรรณเมื่อวันอาทิตย์ที่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดได้ทอดกระถินสามัคคี ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาและคณะศิษย์ได้ร่วมกันตั้งวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งเป็นวันที่อาจา ร, รย์พรรัตนาสุวรรณลากกายเนื้อเข้าสู่ภูมิทิพย์เป็นวันกตันยูอาจา ร, รย์พรรัตนาสุวรรณเพื่อมาร่วมกันลำเลึกถึงอาจารพรอ่านประวัติแสดงความรู้สึกนึกคิดใจถึงใจ นิมน์พระมาร่วมเจริญพุทธมนต์วังเพนกุศลทักษิณาอนุประทานถวายพระตาหารเพนพระภิกษุทอดผ้าป่าสามคัคคีสมทบทุนข้ามูลนิธิอาจา ร, รย์พรรัตนสุวรรณเพื่อเป็นทุนหนุนนำให้ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนพระเจดีอิสรภาพอนุสอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อันเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองดํารงคงอยู่ไม่ให้เสื่อมสลายงานวันกตัญยูอาจารพรรัตนสุวรรณได้จัดมาแล้วหกครั้งถือเอาวันอาทิตย์ปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นหลักงานวันกตัญญูอาจารย์พรรัตนสุวรรณครั้งที่เจ็วันอาทิตย์ที่ยีสิห้ากุมภาพันธ์สองพ ณวัดนาคต ก, กถนนเทิดไทย49เขตภาษีเจริญกอทอมอกำหนดการงานเริ่มตั้งแต่แปดนาฬกาเจ้าหน้ า, นาที่ของวัดจัดเตรียมด้านศาสนาพิธีจัดโต๊ะหมู่บูชามีภาพวาดอาจา ร, รย์พรรัตนสุวรรณประดับตกแต่งด้วยดอกกุหลาบและดอกกล้วยไม้หลากหลายสี ตั้งเป็นประธานโดดเด่นสวยงามสถานที่สวดสายายพุทธมนต์โตเก้าอี้อาหารหลักอาหารว่างเครื่องดื่มของผู้ที่เข้ามาร่วมงานจัดเตรียมด้วยความเรียบร้อยมีระเบียบสวยงามภายในศาลาทานวารมีคณะศิษย์หลายวัยเริ่มทยอยเข้ามาในห้องถง ทักทายกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นบานมีศรัทธามีน้ำใจเสียสละมาร่วมทำบุญรำลึกถึงอาจารย์พรรัตนสุวรรณเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตาคุณที่ท่านบำเพ็ญคุณประโยชน์ไว้ในพระาศาสนาเป็นอนเนกประการควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ คุณสีเพนจัตุทศีเล่าว่ารุ่งอรุณของวันอาทิตย์ที่ย5ิห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบรรยากาศของโลกทิพย์ภายในวัดนาคปรกมีพลังแสงสว่างสดใสพลังแสงฉับพันระังสีหรือสีรุง่งผสมผสานด้วยแสงสีเงินสีทองจากพลังของเทพเจ้าจำนวนมากมาย มวลเหล่าโอปปะติกะที่มาร่วมงานเป็นเทพเจ้าจากดุสิตาเทวโลกและมาจากภูมิอื่นๆด้วยเทพเทวาแต่ละชั้นแต่ละภูมิจะมีพลังแสงสีไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มจะแต่งกายด้วยแสงสีที่สะท้อนออกมาต่างๆกันแต่ก็ผสมกลมคืนกันได้อย่างสวยงาม มวลเทพเทวาเหล่านี้จะเปล่งพลังแห่งความสุขสดชื่นตามภพภูมิของตนรวมทั้งกลิ่นหอมของมวลเหล่าไม้ดอกนานาพันธ์และเสียงดนตรีไยเราะเพราะพิ้งแผ่วแววอยู่ตลอดเวลาทำให้บรรยากาศโดยทั่วไปกระจ่างสงบเยือกเย็นภายในห้องถ ư งใหญ่ของที่ประชุม ผู้คนมากมายหลายชาติทั้งคนไทยแขกฝรัง่งจำนวนมากต่างเดินมาเลือกหาที่นั่งตามภาวะและสถานะของตนเองถึงผู้คนจะมากมายแต่ก็มีความสงบพร้อมกับแฝงไว้ด้วยความรื่นรมแสงและสีที่สะท้อนออกมาจากเครื่องแต่งกายแต่ละคนผสมผสานกันอยู่ในบรรยากาศ ที่มีแสงฉับพันรังสีหมุนเวียนรอบช้าช้าอย่างสวยงามมีกลิ่นหอมสดชื่นระเรื่นรวยรินแช่มชื่นของมวลเหล่าไม้ดอกกำจายทั่วบริเวณชาวดูสีตาเทวโลกร่วมแสดงความยินดีปีติปลาโมดบรรยากาศความเป็นไปในโลกทิพย์และโลกมนุษย์เป็นเหมือนฝาแฝด แทรกซ้อนแยกจากกันไม่ได้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นเงาสะท้อนของกันและกันคือเหมือนกันอยู่ตลอดเวลาท่านเว่ยลางพระสังฆปรินายกองค์ที่หกของศาสนาพุทธนิกายเซนในประเทศจีนได้ให้เกียรติมาร่วมงานวันกะตันยูอาจารพร ร่วมกับมวลเหล่าเทพเจ้าจากสังเวชนียสถานในแดนพุทธภูมิท่านมานุโมทนาด้วยความยินดีในความกระตัญยูของคณะสิทธิ์ที่มีต่ออาจารย์พรรตนาสวนุวรรณมวลเหล่าเทพเจ้าส่งพลังแห่งความสุขให้ทุกคนรำลึกถึงพระคุณขององค์พระบรมศาสดา ซึ่งได้ให้พระธรรมอันลัำเลิดเปรียบประดุดประทีปชัชวานส่องสว่างทำลายอาวิชาความมืดให้อันตราธานหายไปอีกด้านหนึ่งเป็นกลุ่มเทพเจ้าจากหนังสือโลกทิพย์ Life in the World unseen ท่านแอนโทนีบอร์เจียท่านบาดหลวงโรเบิร์ตฮิวเบนสันและท่านเอ็ดวินในหนังสือโลกทิพย์ มีท่านนักบุญแซงแบรนาดแห่งแคลโวมาร่วมพร้อมมวลเหล่าเทพเจ้าฝ่ายคริสตศาสนาผู้อยู่ในภูมิต่างๆมาร่วมตั้งจิตอธิษฐานให้ทุกท่านประสบความสุขบริสุทธิ์สงบสว่างสดใสด้วยพุทธธรรมมองไปโดยรอบเห็นทุกท่านนั่งอยู่โดยสงบมีแสงฉับพรังสี ที่โต๊ะหมู่บูชามีภาพอาจารย์พรรัตนสุวรรณประดับด้วยดอกไม้เงินดอกไม้ทองตรงกลางมีต้นพระป่าตั้งอยู่ในกระถางแก้วจิรอนยัยดูเหมือนมีชีวิตส่องแสงแวววิบวับมวลเหล่าเทพเทวาจากภพภูมิต่างๆจะเปล่งพลังแห่งความสุขสดชื่น ตามพบภูมิของตาละภูมิพร้อมกันสวดสาทยายอํานวยพรเสียงของมวลเทพเจ้าสถานก้องกังวานแผ่ว พ, พิ้วอยู่ในทั่วทุกอนูของบรรยากาศทุกท่านต่างมีความรู้สึกนึกคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้ท่านจะไม่ได้เปล่งออกมาพร้อมกันหรือไม่ได้นัดกันว่าจะพูดอย่างไร แต่เมื่อมีความรู้สึกหนึกคิดเป็นอย่างเดียวกันแล้วบรรยากาศของแสงสีและเสียงก็จะกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสมอตลอดเวลาทุกพบทุกภูมิทั้งนี้รวมทั้งกลิ่นหอมของมวลไม้ดอกนานาพันและเสียงดนตรีนาน า, นาชนิดด้วยก็เกิดพลังโดยรอบมีแต่สารติสงบสุขหันษา มองไปทางใดก็ดูราวกับว่าเห็นดวงดาวพร่างพราวอยู่ท่ามกลางแสงสว่างตอนกลางวันแต่เป็นแสงสว่างที่เย็นสบายต่อในตาพระนางจามเทวีพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนผาเมืองพ่อขุนรามคําแหงมหาราชพ่อขุนเมงรายมหาราชพระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสทระนุชาธิราชสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและอดีตบูราพามหาการศัตริยาธิราชในสมัยสุขโขทยัยสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ในพระราชวงศ์จักรี ต่างพระทับเป็นระเบียบลดหลั่นในพระพลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและอดีตบุรภาพมหากษัตริยาธิราชทั้งหลายท่านยังคงสถิตอยู่ยังห่วงให่และให้ความคุ้มครองพระศนิกรของพระองค์อยู่เสมอบรรดามวลเทพพระเจ้าซึ่งแต่งกายด้วยผ้ากาสาวะ สีเหลืองทองกระจ่างนวล น, นั่งสมรวมอยู่ด้านหน้าหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในโลกทิพย์พ่อฤาษีสราญกัสสมเด็จอุปชาสมเด็จพระวรรดิเฮงเข็มมาจารีสมเด็จพระสังฆราชแผ่วัสุทัศน์ท่านเจ้าคุณพระสุเมธาธิบดีอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพ อาจารย์เสถียนโพธินันทะท่านพระมหาจํารัตกับทั้งเทพเจ้ามวลเหล่าโอปปติกาอีกมากมายทั้งที่แต่งกายเป็นบรรพชิตทั้งแต่งกายเป็นผู้ทรงศีลแต่งกายเป็นอุบาสกอุบาสิกาและคณะญาติของมวลสิทธิ์จํานวนมากทุกท่านแต่งกายสวยงามผสมผสานกับมีกลิ่นหอม จากเสื้อผ้าสีอ่อนจางผิวพันผ่องใสรูปรักษณ์อยู่ในวัยหนุ่มสาวงานนี้เป็นงานบำเพ็ญกุศลในโลกมนุษย์ที่ยังความสมนัสปีติปราโมทให้เกิดขึ้นแก่มวลเทพเจ้าโอปปติกะทั้งพวงอาจารย์พรแต่งกายด้วยชุดครุ ย, ยาวสีฟ้าอ่อนจางใส สอดสลับด้วยดิ้นเงินระยิบระยับยิ้มแย้มแสดงถึงความเบิกบานสดชื่นในอารมณ์อาจารย์สิริพุทธสุขอาจารย์ทัศนีบุรุษพัฒคุณวันนีอากาศเลิกุณสำอางยิ้มสิริคุณมาลัยคุณจงจิตแดงขาวคุณลือนุษนุษสมบัติคุณวิเชียรมานุวงศุณนรงวุฒาเสียน คุณอรุณีพัฒนาประภาพันธ์ติดตามมาพร้อมกลุ่มสำคัญที่อาจารย์พรได้ชักชวนและนำมาคือคณะญาติพี่น้องเพื่อนพ่อแม่ลูกของมวลลูกศิษย์ทุกท่านต่างรอคอยอยากจะพบพ่อแม่ญาติพี่น้องในโลกมนุษย์อยากขอบคุณที่มีความสุขสบายเนื่องจากบุญกุศล ที่ญาติมิตรทำมาให้ชีวิตที่ดีที่สุดคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์คุณแหลมรอชนะโกสุลแซโอหัวหน้าครอบครัวรจดนะโกสุลเป็นประธานฝ่ายคณะญาติและคอยมาต้อนรับคณะญาติในโลกทิพย์ที่ได้มาร่วมงานด้วยความตื่นเต้นยินดีคุณแหลม รีบเข้าไปกราบต้อนรับคณะญาติมิตรกลุ่มเทพไทยโดยการนำมาของคุณประเสริฐบุญบรรเจริดสุขและคุณอาโยงแซ่ชัวติดตามมาด้วยคุณพ่อโจ้ยเกียงแซ่แต้คุณแม่เงี้ยเกียวแซ่เลี้ยวคุณมาลายศรีสุทัญยลักษ์เจรอคุณพ่อเล็กคุณแม่สีดีถนัดธรรมกุลและลูกชายทุกท่าน ปีติยินดียิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเมื่อได้มาเห็นได้เข้าใจในการกระทําอันเป็นกุศลเจตนาของลูกหลานและทุกครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าก็ก่อให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจผู้ที่มีโอกาสได้กระทําการกุศล ร, ร่วมกันแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ตาม จะเกิดอา น, นิสงส่งให้ได้มาพบและเจอแต่สิ่งที่ดีงามคณะญาติพี่น้องของพวกเราอีกหลายกลุ่มอยู่รวมกับผู้คนอีกมากน้าหลายตาต่างยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความยินดีเป็นมิมตรไมตรีทักทายปลาายกันอย่างสนิทสนมอันหนึ่งคุณชาริกาได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า คุณสีเพนได้เล่าให้คุณชริกาฟังว่าในวันนั้นพลังอันศักดิ์สิทธิ์มากมายจากเทพเจ้าต่างๆก็ได้แผ่ปกคลุมไปทั่ววัดนาคปลกรวมทั้งตึกรามบ้านช่องในรัศมีรอบๆวัดนาคปลกก็พลอยได้รับอนิสง์ในครั้งนี้ด้วยและทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาร่วมอยู่ในงานวันนั้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ต่างก็ได้รับการอาบด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์นั้นโดยทั่วกันนับเป็นมงคลยิ่งในชีวิตของทุกๆ ท, ท่านสาธุสาธุสาธุ